ทำมาใกล้ตัวฉบับที่44เรื่องสั้นรักของอินทนินโดยเมรินตอนที่หนึ่งบริบทที่หนึ่งแสงไฟสว่างวอมแวมลอดผ่านช่องบัญชรวิหารหลังน้อยซึ่งตั้งตระงานอยู่บนเนินเขาท่ามกลางความมืดมิดของรัติการ ที่โอบวงแขนร่ายมนสกดให้ผู้คนต่างหลับไหลเงาร่างงดงามอ่อนช้อยของหนึ่งอิสตรีปรากฏท่าบู่คล้างเรือนกายกำยำล่ำสันของบุรุษหนึ่งทั้งสองกำลังพากันย่อกายคุกเข่าลงและเบื้องหน้าแท่นศิลาสีเทาอ่อนกลิ่นกำยานหอมกรุ่นลอยอ้อยอิงจากกา้านธูปที่ปักตรึงในกระถางใบเข่อง ซึ่งมีรูปสลักของพญานาคสองตนตวัดกายเหยียดยาวพันอบล้อมเกร็ดสีเขียวอมฟ้าดูเลื่อมพรายเป็นวันวาวยามต้องแสงจากเทียนเล่มน้อยเสียงทั้งสองชูผงาดคล้ายกำลังเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตดวงตาสีแดงเพลิงเปล่งประกายเจิดจ้าจดจ้องมองร่างที่หมอบอยู่เบื้องหน้าประดุดดังจะส่องทะลุหาสิ่งที่หลบเร้นอยู่ในก้นบึ้งหัวใจของคนทั้งสอง เบื้องหน้าพระปฏิมาณัปนี้จะรักท่านอินทนินทุกชาติเสียงแววหวานกังสดานรากระคังเงินยาเมื่อต้องลมพัดชํำแรกผ่านเข้าสู่เนื้อหัวใจของชายหนุม่มระดุดดังฝนแรกที่แทรกผ่านแผ่นพื้นดินแห้งผากให้พลันฟื้นคืนฉ่ำชื่นอินทนินกุมสองมือนุ่มนิ่มที่ยกขึ้นพนมของคนรักไว้แน่น เงยหน้ามองพระพักของพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ที่เหมือนกำลังแย้มพระโอททอดสายพระเนตรอันเปี่ยมเมตตามองลงมาอย่างตัวเขาข้าขอจดจำนางไว้ในจิตชั่ว น, นิจนิรันต์นีพดาวสุดที่รักคนเดียวของข้าน้ําเสียงแนกแน่นที่เปล่งออกมาจากปากอินทนิน ดุดดังมีคลื่นพลังอำนาจใหญ่หลวงดังกังวันเกือกล้องสะท้อนกลับไปมาริมโอดเอิบอิ่มสีแดงสดบนเรียวพักรูปไข่ภายใต้พระเกศายาวสลวยนั้น <c oughs> ค่อยๆแย้มสวนออกมา <c oughs> เผยให้เห็นพระทันตาสีขาวมุกเรียงเป็นระเบียบสวย <c oughs> เหนือขึ้นไปคือพระนาศิกโด่งงามรับกันอย่างเหมาะเจาะพอดีกับดวงพระเนตรคมหวาน ซึ่งบัดนี้ทอดประกายวูบไหวไปมาราวกับแสงแห่งดาวฤกษ์กระสัหนุ่มตะลึงกันจ้องมองตอบอย่างหลงไหลเขาปรารถนาให้เข็มแห่งกาลเวลาหยุดหมุนลงหน้าวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ชายแดนระหว่างสองเมืองอริแห่งนี้โดยมีนางในดวงใจแนบข้างตลอดไปเสียงตะกุกตะกักดังขึ้นเบื้องหลังบานประตูใหญ่หน้าวิหาร อินทนินนึกรู้ขึ้นมาทันใดเวลาของเขาได้หมดลงแล้วนางกำนันคนสนิทขององค์หญิงเนตรดาวรอบส่งสัญญาณให้เขารีบไปโดยเร็วอินทนินคลายมือที่กุมนางไว้แน่นออกด้วยความรู้สึกปวดร้าวกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เช่นเขากลับไม่อาจยึดย้อสิ่งที่รักไว้ในเอื้อมหัดตลอดไปแม้ชนะศึกทุกแห่งหนแต่ทุกคนก็พ่ายกรรม น้ำตาแห่งการพรากจากไหลาบาท่วมทนเหมือนทานบน้ำที่พังทลายเสียงหวีดร้องของนายกานันดังขึ้นหลังจากเหล่าทหารวิ่งกรูกผ่านเข้ามาในวิหารองครักษ์ร่างใหญ่สองนายรีบดึงเขาออกประตูหลังวิหารขึ้นมาควบหนีอย่างรวดเร็วมีนำพาต่อการฮึดฮัดขัดขืนและเสียงตวัดกล้องของเขา รถรีเรจดเตขอพระเจ้าค่ะพวกเรามากันน้อยกว่าไม่อาจต่อกอนกับศัตรูอินทนิลเสียงเรียกอย่างอะไรรักปริ่มว่าจะขาดใจขององค์หญิงเนตรดาวดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกสิ่งจะพลันคืนสู่ความสงบเงียบดังเดมิมบริบทที่สอง อินทนินรู้สึกว่าเปลือกตาของตนหนักอึง้งราวกับถูกหินทับหลังจากพยายามฝืนลืมตาขึ้นลำแสงสว่างจุดเล็กๆ ก, ก็เริ่มขยายใหญ่เบื้องหน้าเขาท้องฟ้าสีฟ้าอ่อนแต้มด้วยปุยเมฆขาวลอยละล่องรอบกายคือพื้นหญ้าอ่อนนุ่มสีเขียวขจีที่ปูราดเหมือนพรมผืนใหญ่อยู่รอบกาย เขาเท้าแขนพยุงตัวลุกขึ้นนั่งอย่างมึนงงสายลมอ่อนพริ้วไหวพัดพากลิ่นกรุ่นหอมละมุนละมัยของมูลดอกไม้แรกแยม้มพร้อมกับเสียงดังสู้สู้แววเข้ามากระทบโสดประสาทเขาให้ตื่นตัวขึ้นทันทีน้ำตกไม่ไกลจากบริเวณที่เขานั่งอยู่เทือเขาสูงชันรกครึมสะพรั่งไปด้วยแมกไม้สีเขียวสด ลำสายน้ำยาวใสกำลังพวยพุ่งตกลงมากระทบโขดหินที่ลดหลั่นกันอยู่เป็นชั้นๆก่อนจะแตกกระจายเป็นฟองฝอยเล็กๆร่วงลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตขนาดใหญ่เบื้องล่างความงดงามของทิวทัศน์ที่ฉายภาพอยู่เบื้องหน้ายังจิตให้ผู้ได้ยนเกิดความแช่มชื่นเบิกบานแต่แล้วสิ่งแรกที่จิตเขาประวัติถึงก็คือ ดวงหน้าหวานอมโศกของนางอันเป็นที่รักฉากพลันนั้นร่างอรชรของอิสตรีนันหนึ่งก็ปรากฏขึ้นนพื้นทรายขาวละเอียดริมแอ่งน้ำดูคล้ายกำลังไรยราด้วยท่วงท่าสง่างามปานนางอับศรเนตดาวเขาเปล่งเสียงเรียกนางด้วยความดีใจเร็วเท่าจิตที่หวั่นวา่าอินทนินออกวิ่งยิงสุดกาลังตรงเข้าไปหานาง ตวัดลำแขนโอบรอบกายก่อนที่จะพบว่าร่างของตนเซถลาลงไปเกลึกกลิ่งกับพื้นทรายด้านล่างในวงแขนของเขาว่างเปล่าหัวใจที่เต้นโครมคลาเหมือนจะกระโจนออกจากเนื้อหน้าอกลอยละเลี้วไปหานางของเขาหล่นวูบลงทันทีหมดเรี่ยวแรงแม้แต่จะทรงกายยืนหยัด <c oughs> เสียงหวเราะแจ่มใสดังกังวานมาจากด้านหลังอินทนินรีบปุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว ด, ด้วยความหวัง นางคงมีเจตนาต<ร>หยอกล้อเล่ น, นเขาหัวเราะทั้งน้ำตาที่นั่นข้างๆพุ่มกุหลาบสีแดงสดซึ่งกำลังแย้มกรีบดอกเบ่งบานชูชอ่อโดยได้รับจุมพิษจากแสงแรกแห่งวันนางยืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งที่อินทนินเอื้อมมือควานหาไขคว้ า, วาแต่แล้วก็ไม่อาจสมัมผัสนาเขาก้มลงมองสองมือที่สั่นระริก คมหนามจากกุหลาบงามเกี่ยวปลายนิ้วเป็นริ้วยาวเลือดสีแดงเข้มค่อยๆไหลซึมออกมาทีละนิดแต่เขากลับรับรู้ความปวดแสบนั้นเหมือนกำลังเกิดขึ้นที่เนื้อหัวใจจวบเช้าจนพบค่ำอินทนินวิ่งวนไปมาจนเหนื่อยล้าด้วยเห็นนางปรากฏกายอยู่ทุกแห่งหน แต่เมื่อกลใกล้ ก, ก็กลับหายลับไปจากคลองจากสุนับแต่วันที่รักรอบนัดนางมาสัญญารักนวิหารศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไม่เคยพบนางอีกเลยแม้จะเพียรสงสัยสืบหาครั้งแล้วครั้งเล่าทุกแห่งหนที่แม้มีเขาลางเพียงเล็กน้อยจิตของเขาจะวูบไหวด้วยความปิติยินดีรีบแฝงกายหลบเรนค้นหาแม้ในแดนอันตราย เขตห่วงห้ามของศัตรูแต่ทุกข่าวคราวก็ปรากฏดั่งควันไฟที่เห็นลอยขึ้นสู่อากาศแต่ไม่อาจพบแหล่งกำเนิดจิตที่เหมือนลอยขึ้นสูงและหล่นวูบลงกระแทกพื้นสลับกันไปมานับวันยิ่งเพิ่มพูนความเจ็บร้าวเป็นรอยบาดแผลลึกแยกออกเป็นทางยาวขึ้นทุกทีครานี้เขาเห็นนางแล้วแต่ไม่อาจเอื้อมไปสัมผัสเพราะเหตุใด เขาเฝ้าครุ่นคิดถามตัวเองนางบังเกิดจากจิตเจ้าอินทนินทุกคราที่ประวัติมายาภาพอันเสกขึ้นจากจิตจะลวงให้เจ้าทุรนทุรายกวานหาอากาศสาธาเสียงลึกลับเหมือนดังกล้องจากฟากฟ้าเบื้องบนทอดกระแสนุ่มนวลมาสัมผัสจิตเขาให้อบอุ่นสบายอย่างน่าประหลาด อินทนินมองหาที่มาของเสียงคำถามามากมายพร้อมจะพรั่งพูออกมาแต่เขาเรียบเรียงหลุดออกมาอย่างแผ่วเบาได้เพียงประโยคเดียวข้าจะพบตัวจริงของนางเมื่อใดเมื่อเจ้าตื่นขึ้นด้วยสัมมาสติอินเทนิ น, น เ, นนนเนนชิญติดตามฟังรักของอินเทนินตอนจบได้ ในธรรมะใกล้ตัวฉบับที่45เสียงอ่านโดยพงเพชรอมรศิษิ์กวินชตรานนท์และวรศิริจันกระจาก